อาโมกุทยะพระพุทธไตรยตระยานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังคันธัง สวริคามหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาุโยหาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอโมขุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรั สีสาหัสสุตธรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทถบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาขิทานังวารังกันธรรสีวริกรรมาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิธาตุโย อังวันทามิสัพปโสพุทธาธรรมะสังฆูเชมิอาโมกุทยะระพุทธะไตรตนะยานมานีนปรัตสีสาหาสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังคันธ์งสีวะริมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาจุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวรังคันทัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทายะราพุทธะไตรยตระยานมานีโนปรต สีสาหัสสุทธรราพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธาหนังวรังการธรงสีวรกรมหาเถระอาหังวันธาณิธุระโตอาหังวันธาณิทาตโย อาหังวันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆภูเชมิอาโมพุทายะราพุทธะไตรตัญญาณมณีนพรัตศีสหัสสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังการธรงมีวะริธมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆภูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธไทรยตระยานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังคันธัง สีวะริคามหาเถังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมสังฆปุเชมิอาโมกุทายะรากุทธะไตรยตระยานมานีนปรั สีสาหาสุทธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวรังคันธังสีวริธรรมเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อหังวันทามิสัพโสพขุทธา a รรมะสังฆูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังศีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธามิสัพเปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ อาโมกุทายะพระพุทธายะตนะยานมานีนปรัตศีสหัสสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาทิธางวารังคันทัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันธานิทุรโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชฌิมิอะโมกขายะราพุทธะไตรยตระญานมานีนปรัต สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาผิธาหนังวารังกันธรงสีวริธรรมหาเถรังอาหังวันธาณิธุระโตอาหังวันธาณิธาตุโย อังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆูเชนิอะโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยญานมณีนพรัตศีสหัสสุธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันธรงมีวารีกามหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธามิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆภูเชนิ อาโมพุทยะพระพุทธไตรยตระยานมณีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวรังคันธัง สีวะริจามาหาเถังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโยหาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปุชฌิมิอะโมกุทัยยะราพุทธะไตรยตระาณมานีนปารัต สีสาหัสสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทถบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังกันธรงสีวะริธมหาเถรงอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโย อาังวันธามิสปะโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนิอาโมพุทธายะพระพุทธไทรยตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิทานังวารังกัรทางศีวารีธมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆอูเชนี อาโมกุทธายะพระพุทธทตรยตนะยานมณีนพรัตศีสาหัสสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวรังคันทัง สีวาริตมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเสนิอาโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีโน ป, ป ร, รั สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธานวารังกันธรรสีวรกธรรมเถรังอาหังวันธานิธุระโตอาหังวันธานิอาตุโย อาหังวันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทายะราพุทธทไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโคยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังศีวะริคามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทายะรากุทธไตรยตรยานมณีนพรัตน์ศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาพิธางวารังคันทัง สีวะริธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอะโมพุทธายะวะพุทธะไตรตนะยานมานีนภารัต สีสาหาสุทธรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโณนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปิธาหนังวารังการธรงสีวะริธรมหาเถรังอาหังวันธาณิทุรโตอาหังวันธาณิทาุโย อหังวันทามิสัพโสพขุทธาธรรมะสังฆูเชมิอาโมขุทายะราพุทธะไยรตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันธรงมีวริยกรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธาณิทาตุโยอาหังวันธามิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆภูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนปรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธางวรางคันทัง สีวะริคามหาเถรงอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาุโยอาหังวันธานิสัพเพโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชนมิอาโมกุทายะราพุทธะไตรยตระยานมานีนปรัต สีสาหัสสุธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปิธาหนังวารังกันธรงสีวริจามาหาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิธาทุโย อาหังวันทามิสัพปสุขุทธาธรรมะสังฆูเชมิอะโมกุทายะราพุทธะไตรยตัญญาทานมานีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังสีวริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพเปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อโมกุทยะพระพุทธไตรยตระยญาณมณีนพรัตต์สีสาหาสุทธรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังันทัง สีวะริกมหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาทุโยอาหังวันธามิาสัพปโสพุทธาธรรมะสังฆภูเชมิอโมขุทายะพระพุท ธ, ทธไตรยตนะยาณมณีนพรัต สีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิทานังวรังกันธรงสีวลกมหาเถระอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาตุโย อาังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังภูเชนิอาโมกุทยะพระพุทธไตรยตระนัยยานมณีนปรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบูชาธรมมะบูชาสัมภะบูชาปิทานังวารังกันทางศีวารีจามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาทุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสัมฆะปุเชนิ โมกุทายะราพุทธะไตรยตนยานมณีนพรัตนศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธาหนังวรังคันธัง สีวาริตามหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิอาทุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะอรรมะสังฆปูเชนิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตระยานมาหีนุปรั สีสาหาสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังคันธงสีวริธรรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทาณิทาุโย อาหังวันทามิสัพโสพขุทธาธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธายะตนะยานมานีนพรัตศีสหัสสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา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 อาโมพุทยะพระพุทธไทรยตระยานมณีนพรัตศีสหัสสุธังนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธาหนังวารังกันทัง สีวริกามหาเถรงอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาุโยหาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเสมิอะโมพุทธายะราพุทธะไทรยตระยานมานีโนปรัต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 อาหังวันทามิสัพโสพขุท tha ธรรมะสังฆูเชนิอะโมกุทายะราพุทธะไยรตนะยานมณีนปรัตศีสหัสสุตธรราพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังศีวริจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพเโสรูธาธรรมะสังฆบูเชนิ อโมกุทายะพระพุทธไตรยตระยานมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังคันัง สีวะริจามหาเถรงอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธานิทาุโยอาหังวันธานิสัพเพโสพุทธะธรมะสังฆาปเชนิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีโนปรัต สีสาหาสุทธรรนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทถบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาผิธานังวารังการธรงสีวลีกามาหาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิอาทุโย อาังวันทามิสัพะสุขุทธาธรรมะสังฆูเชนิอะโมกุทายะระพุทธะไยรตนะยานมยีนพรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนั พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังกันทางศีวารีธรรมะเถระอาหังวันทานิธ ah ุระโตอาหังว ah ันทานิอาตุโยอาหังวันทานิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆภูเชนิ อโมกุทายะราพุทธะไตรตนายานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรมนาพุทโธธัรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังคันธัง สีวะริจามาหาเถังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาทุโยหาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอะโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนพรั สีสาหัสสุตธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธาหนังวารังกันธรงสีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาทุโย อังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมสังฆปูเชมิอาโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกัรทางศีวารีธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ อาโมกุทายะพระพุทธไตยตระยานมณีนพรัตศีสาหัสสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิทาหนังวรังพันธัง สีวะริคามหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาทุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปุเสนิอาโมกุทธายะราพุทธะไตรตนายานมานีโนปารั สีสาหาสุตธงมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปิธานวารังกันธรงสีวริธรมหาเถรังอาหังวันทาณิทุระโตอาหังวันทาณิทาุโย อาหังวันทามิสัพโสพขุทธาธรรมะสังฆูเชมิอาโมกุทายะราพุทธายะตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรราพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางศีวารีกมหาเถรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธานิธาตุโยอาหังวันธามิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธไตรยตรยานมณีนพรัตน์ศีสหัสสุตธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังคันธัง สีวะริจามหาเถระอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชมีอะโมกุตายะระพุทธะไตรยตระยานมานีโนปรต สีสาหาสุทธรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปิธาหนังวารังกัรทางสีวริกามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทาณิธาตุโย อาหัวันทามิสัพปสุขุธถะธรรมสังฆาปูเณนิอาโมกุตายะราพุทธะไตยตนะยานมานีนปรัตศีสหัาสุธรรมาพุทโธธรรโมสังโฆยะถาพุทโณ บูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังการธรงมีวริคมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพเปโสดูธาธรรมะสังฆภูเชนิ อาโมพุทธยะพระพุทธไทยตนยานมณีนพรัตนีสหัสสุตธรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวรังกันัง สีวะริกามหาเถระอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตโยหาหังวันทานิสัพเพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชฌนิอะโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีโนปรัต สีสาหาสุทธรรนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาทีธาหนังวารังคันธ์งสีวรกมหาเถรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธาณิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปสุภูธาธรรมะสังฆูเชมิอะโมภูทายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางศีวารีธรรมะเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาทุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อโมกุทยะพระพุทธไตรยตระยานมณีนพรัตต์สีสาหาสุทธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิทาหนังวารังคันทัง สีวะริจามหาเถรงอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปเชฌิอะโมกุขายะราพุทธะไตรยตัญญาณมานีโนปรต สีสาหัสสุตธงรมพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธานังวรังกันธรรสีวริกรรมหาเถรงอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิทาทุโย อาังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆภูเชมิอะโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังกันธรงมีิวะริคามหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาุโยอาหังวันธานิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทายะราพุทธะไตรตนายานมณีนปรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธาหนังวารังพันธัง สีวะริคามหาเถระอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอะโมพุทธายะราพุทธะไตรยตะยานมานีนพรั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 อาหังวันทามิสัพโสพขุทธาธรรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทายะราพุทธายะตัญญาณมณีนปรัตศีสหัสสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังคันธมศิวริศมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธาณิทาตุโยอาหังวันธามิสัพเพโสอุทาธรรมะสังฆภูเชนิ อาโมกุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยยานมณีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิทานังวรังคันธัง สีวะริกมหาเถทังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิอาตุโยอาหังวันธานิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเสนิอาโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีโนปา ร, รั สีสาหาสุทธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปิธาหนังวารังกันธรรสีวรกมหาเถรงอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิธาตุโย อาหังวันทามิสัพโสุขุท a ธรรมะสังฆูเชมิอะโมขุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมณีนปรัตศีสหัสสุตธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธรงมีวารีธมรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธาณิธาตุโยอาหังวันธามิสปพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนี อาโมพุทธายะพระพุทธไตรยานญาณมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาทิธาหนังวรังคันธัง สีวะริจามหาเถระอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชฌิอะโมกขายะราพุทธะไตรยตระนยยานมานีนพรัต สีสาหาสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปีทานังวารังกันธรงสีวลีธรรมหาเถรังอาหังวันธาณิธุระโตอาหังวันธาณิธาตุโย อาังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะญานมานีนพรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันทางศีวารีกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทายะราพุทธทไตรยตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุตังนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธาณังวารังคันธัง สีวะริจมหาเถระอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิอาทุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเสนิอาโมกุทายะวะกุทธะไตรยตนะยานมานีโนปรั สีสาหัสสุตธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธานังวารังกันธรงสีวริกรรมาหาเถระาหังวันทาณิทุระโตอาหังวันทาณิทาตุโย อาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทธายะราพุทธะไตรตนณยานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังศีวะรีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ อาโมกุทยะพระพุทธไตรยตระยานมณีนพรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิทานังวรังคันธัง สีวะริธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาทุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีโนปารัต สีสาหาสุทธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมนะบูชาสังฆบูชาปิธานังวารังกันธรงสีวรกธรมหาเถรังอาหังวันธานิจุระโตอาหังวันธานิอาตุโย อาหังวันทามิสัพปสุขุทธาธรรมะสังฆูเชนิอาโมกุทายะราพุทธะไยรตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธรงมศิวริคามหาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิทาทุโยอาหังวันธาณิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนี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 สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทถาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปีธานวารังกันทางสีวริจามหาเถรังอาหังวันธานิทุรโตอาหังวันธานิทาตโย อหังวันทามิสัพปสุขุท tha ธรรมะสังฆปูเชมิอะโมขุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธรงมีิวริยามหาเถรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆปุเชนิ อโมกุทยะพระพุทธไตรยตระยานมณีนพรัตศีสหัสสุทรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังคันัง สีวะริกรรมาเถทังราหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาทุโยอาหังวันธานิสัพเโสรุตธาธรรมะสังฆภูเชนมองโมกุทยาราพุตธาติรตนะยานมณีนพรัต สีสาหาสุตธงมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาทิทานังวารังกันธรงสีวริจามหาเถรงอาหังวันธาณิธุระโตอาหังวันธาณิธาตุโย อาังวันทามิสัพะโสพุทธาธรรมะสังฆูเชมิอะโมกุทายะรากุทธะไยรตนะยานมานีนปรัตสีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังคันธ์งรีวะริมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาจุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสุทรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธาหนังวรังคันธัง สีวริกามหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธัมมะสังฆปเชมิอาโมพุทายะราพุทธะไทรยตงะยานมานีนปรต สีสาหาสุตธงราพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปิธาหนังวารังการธรงสีวรกธมหาเถรังอาหังวันธาณิธุระโตอาหังวันธาณิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปโสพุท h ะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทายะราพุทธะไตรตนะญาณมานีนพรัตสีสาหัสสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ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 อาโมกุทยะราพุทธะทตรยตนะยานมณีนปารัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวารังคันธัง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 สีสาหาสุตธรรมนพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโณนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปิธาหนังวารังคันธ์งสีวริธรรมาเทาราหังวันธาณิทุระโตหังวันธาณิธาตุโย อาหังว <ítulo> ันทามิส <imprisoned> ัพปสุขุทธาธรรมะสังฆูเชมิอาโมขุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนพรัตศีสหัสสุธรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังคันธังศีวาริตมหาเถรังอาหังวันธานิทุรโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพเปโสดพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธทยะตนะยานมานีนปารัตศีสหัสสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวรังคันัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชมิอโมขทายาราพุทธะไตรยตนะญานมานีโนปรัต สีสาหาสุทธรรนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนาบูชาสังฆาบูชาขิธานังวารังการธรรสีวริธรรมหาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิอาตุโย อหังวันทามิสัพปสุพุท t h ธรรมะสังฆูเชนิอะโมขุทยะวาพุทธะทตรยตระนัยยานมานีนปรัตศีสหัสสุธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันธรงมีวารีธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาุโยหาหังวันธามิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆภูเชนิ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 สีวะริจามาหาเถังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆปเชฌิณีอะโมกุตายะราพุทธะไตรยตระยานมานีนปารัต สีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาขีทานังวารังกัรธรงสีวริธรรมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโย อาังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนิอะโมพุทธายะพระพุทธไทรยตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิทานังวารังการธรงมีวะริศมหาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิทาตุโยอาหังวันธาณิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวรางคันทัง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 สีสาหาสุตธงรมพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานวารังกันธรงสีวริกรรมาเทสาราหังวันทาณิทุระโตาหังวันทาณิทาตโย อาหังวันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอะโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ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 อาโมกุทายะพระพุทธไตรยตัญาทานมานีนปรัสศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธางวารังคันทัง สีวะริธรรมาเถรังหาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทายะราพุทธะไตรยตระยานมานีโนปรั สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปิธานวารังกันธรงสีวรีกามาาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาทุโย อหังวันทามิสัพโสพขุทธาธรรมะสังฆูเชนิอาโมกุทายะราพุทธะไยรตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันธรงมีวริยกรรมมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมกุทยะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตน์ศีสหัสสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาพิธางวรางคันทัง สีวะริคามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาทุโยอาหังวันธานิสัพเพโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชนมิอะโมกุทายะราพุทธะไตรยตระยานมานีนปรัต สีสาหัสสุธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปีทาหนังวารังกันธรรสีวลีธรรมะเถรังอาหังวันธาณิทุรโตอาหังวันธาณิธาทุโย อาหังวันทามิสัพปสุขุทธาธรรมสังฆูเชนิอะโมกุทายะวะพุทธะไตรตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกัรทางศีวารีธรรมะเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพเโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ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 สีวะริกมหาเถระอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาทุโยอาหังวันธานิสัพเพโสพุทธาธรรมะสังฆาปุชฌนิอะโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีโนปรั สีสาหาสุตธงมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาทิทานังวรังกันธรงสีวริกรรมาหาเถรงอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิธาตุโย อาังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆูเชมิอะโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธ์งรีมศิวะริศมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาทุโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ โมพุทายะราพุทธไตยตระยานมณีนพรัตน์สีสาหาสุตธรราพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธาหนังวารังคันทัง สีวาริตามหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอาโมพุทายะราพุทธะไตรยตระยานมาหีนุปรั สีสาหาสุตธงราพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆาบูชาปีทานวารังกันทรงสีวรกธมหาเถรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธาณิทาจุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทธายะระพุทธะไตรตนะยานมานีนปรัตศีสหัสสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังก ah ัรธรรมศิวริกรรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธาณิทาทุโยอาหังวันธาณิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ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 สีวะริคามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาุโยอาหังวันธามิสัพเพโสพุทธะธรรมะสังฆูุเสมิอะโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาปิธาหนังวารังคันธ์งสรมศีวริกมหาเถรังอาหังวันธาณิธุระโตอาหังวันธาณิอาตุโย อหังวันทามิสัพปโสภูธาธรรมะสังฆูเชนิอะโมภูตายะราภูธาไตรตนะยานมานีนปรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุตโมระ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 อาโมกุทายะพระพุทธไทรยตระยานมณีนพรัตนศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาพีทานังวรังพันธัง สีวะริจมหาเถระอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธานิทาุโยอาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆาูเชนิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีโนปารัต สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาขิธานังวารังคันธังสีวลกมหาเถรังอาหังวันธาณิทุระโตอาหังวันธาณิธาทุโย อาหังวันธามิสัพโสพขุทธาธรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทายะพระพุทธไทรยตระนายานมายีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันธรงมีวริกมหาเถรังอาหังวันทาณิทุระโตอาหังวันทาณิอาทุโยอาหังวันทาณิสัพเพโสพุทธธรรมะสังฆูเชนิ อาโมกุทยะราพุทธะไตรยตระยานมณีนปรัตศีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธาหนังวารังคันธัง สีวะริคามหาเถระอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิอาทุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปุเชนิอะโมกุทายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนปรัต สีสาหัสสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังกันธรรสีวริกรรมาเถรงอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโย อังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทายะราพุทธะไตรตัณยานมานีนพรัตสีสาหาสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธานวารังการธรรมศิวะลีธรรมะเถรังอาหังว ah ันทามิท ah ุระโตอาหังว ah ันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ